คุ้มปดคุ้มท้นไว้หลายเรื่อทุกคนนั่นะหลกไว้คว้มปดคว้มท้นปดท้นมันคือแนวนั่นท้นเจ็บท้นปวดท้นยานท้นใจหายท้นหักท้นตั้งฮาดกดฮารท้นอยากเข่าฮาร์ดเสื้อก็ได้อดเนี่ยเคยเห็นแล้วเคยแล้วยเคยอดเข่า อยากกินแต่พระท่านได้กินแล้วมั่นบ่ท่านหอดมองกินเพรานหอดแยมกินอย่างนี้พ่าเกษตรอดได้ทนอย่างที่ละวิธีอดอดใจให้คือกันหูอยาบดามันเดยอยากใจให้เพราะใจให้ละอดเสียเพราะส้งมันละอย่างนี้หักคือกันเนี้ยอดไว้หลังค้นว่าฮักดีทีไปอดมันเฮียงเลยข้อมฮักนั่นละมันเอาขวามสุกน้ำคนมาหานัน เนว่าแห่ัดอดหัดทนกับอารมณ์ทุกอย่างญาติก็อดเอาสั่งก็อดเอาหั ก, ก็อดเอาเจ็บก็บอดเอาปวดก็ดเอาสือฮัดไวได้ในใจมแค่ๆๆละควบอดเนี่ยจิตใส่ ใ, ใส่กับสุ น, นวันเาไปหาหมอเขาทนหอดหมอจงิเขาก็ได้อดเอานหละจนไปหอดหมอคนละเนี่ยแล้วกาหาหมอว่ า, าโว้ยปวด ป, วปวได้แล้วก็ั่ิเมนเท่ามดนละอด ได้ใจหลายอันนี้เนี่ให้ฟึกเอามันกระบอกมันฟ ก, ก้นก็ยังยากดอกเหรอมันมีอีหยังมากอ่ะเหรออดเฮจใจญ่ซื้อซื้อเฮจใหเชีย ง, ยงวาคือจังลงปูเว่าลงปูว่าว่าให้ทำใจเป็นกลางเนี่ยให้ทำใจสบายสบายเป็นกลางไว้นี่แหละผู้ใดทำใจเป็นกลางได้ผู้นั่นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเหมือนกันให้เข้าเอาอันนี้แหละขันเป็น เาคืดบท่านออกเนี่ยอดไว้สักพนทนไว้สักันตเขาคืด อ, ออกแล้วว่าโหยอันนี้มันเม็นของเข้าตัวมันแังค่อยว่างออกแล้วบได้อดออกบัต น, นะขันเขาว่างออกได้พิมออกได้แล้วบตดต้องเดยอดออกแต่ว่ามันบดท่นว่างได้ไหมอดสักพันทนไว้สักพันคือจังเขาไปซกม้่ยนี่แล้วคือคู่ต่อสู้ถลุงเอาย่เฝ้าลม่มขันเ่ายืนยัดได้ยูได้แล้ว จังน้อยมากสีขึ้นแน่หวัันเท้าลมสักวันเร้ไม่จิตติ้งในโอกาสยังแหละไม่ก็แพ้เท้าหล่นแบบอดไว้สักันทนไว้สักวันอันไปหอดวางมันจอจ่อมามดหมองสีเฟืงแล้วเม็ดสีเหลืองอันนี่ละเพืองอันท่วมอดท่วมทนนี่ละมันโบมีไผ่เด้มันโบมีไใสแล้วเมนเท่านี่ละผู้เดียวนี่ละบเมนผู้อื่นเป็นไปอยู่น้าหมอแล้วหมอกขว่าโอ้ยอยว่าได้แล้วไอ้สเมดแล้วมดวีซ่าแล้ว กระสเม่นเฮาคือเกาเห็นชัวร์มันเป็นขุ่มย่านคือกันย่านร้ายย่านร้ายบ่มกหลายย่านบาดวันวาด ก, า ล, ากลัวร้ายเนี่ยมันก็บ่มีครเลี้ยวในเฮติไงคันเนี่ยกรสีเม่ น, นเฮานี่ยล่ะอดเอาทอนเอากันแหละไปใส่จนถึงที่สุดมหมดข่มท น, นพอพระเจ้าคุณว่าขันตีปละมังะโปตีติด่า ความอดกันคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนะจ๊ะเป็นสบะเห็ไหมข้อมไปเครื่องเผามันเปนเผาอี๋อย่างเลยเผาข่อมยานเผาข้มบรสบายใจขันเท้าอดเกง็งๆแล้วบ่มีดอกข้อมบรสมไบายใจมันข้ออยู่ขันเท้าอดเก่งนะคือยังหิวเขานี่แล้วเขาเคยอดมาอยู่ อดทนอดหนีวมากเคยอยู่คันมันบ่มีแน่อยู่แนวกินจค่ขาบนึงมีสิโมเป็นอย่างเดียวคันเท่าเคยอดคันผู้พอเคยอดเหรโอ้ยดินพ้นเยอะกันตัวนั่นแหะค่วมอดทนเนี่ยมันเลยไปเผาข่วมเดือดร้อนในใจทุกซิงทุกอย่างเนี่ยมันหนักสิเป็นไปอย่งังกันละเป็นไปสุนแลวจังพ่นเบาโบดีจังสิเบาเลยเท่าใจให้สิอดไว้จะเข้าใจให้ บัดซ่อมเบืองคาคาสุเห <Yeah S 2> ็นด้วยว่าโอ้มันธรรมดาปากค่นปากตุกปกมันกเป็นด้ยันเห็นมันวาดีกับอะไรแล้วว่าเส้นสันหลัิพีมันจะใช้ประโยชน์หลายส้มกดอดนะฮัดฮัดขึนแน่ฮัดกดเน็่น้ำเนือน้ำโซเป็นไข่เล็กๆน้อยๆกดเป็นหลายกับดกดได้กัอดกดบ่ได้กับกดเอาเป็นสิละ มาที่นีเข้าเก่งปนไดบวงไสหูนเาดอกที่เขาผู้เดียวนั่นและหูมันใส่ห่อทันแล้วมันได้เพิงเจ้าของันเจ้าของบ่มีอย่างแล้วมันติเพิงันใดก็บวได้แล้วแต่สันเจ้าของเข้าเนี่ยที่ข่มอด่มทนร้ายทีขันตีหลายใจตีมันก็เพิงอันนี้แล้วเพิงอดเพิงทนนี่แหละเพิงเจ้าของใดอย่างนแล้วเนี่ยเพิงผู้อื่นมัน มมันเขาเพืองได้ด้วซีดอกนง้มเขาบยกัเพิงบ่ได้นง้มเขาใจหายเพราห้เขาเพิองกับเพิงบ่ได้เขาโบหซ่าเพรห้เขาเพิงกัเพิงบ่ได้เขาทุกขึ้นกันอยู่อยู่เขาหันทุกข์ึ้นกันพรามีความจำาเขากับเพิงเขาบ่ได้อ่ะแง้ต่งขึ้นกัเพิงบ่ได้เขาอยู่เี่นนเขาเองสิเขาหลับเล้ยวเงสิันเขาเขาของขันเป็นที่เพิงแล้วมันเพืงได้คือง้ม ตืนขึ้นมาเบิกเบบมีไข้ตื่นมิแต้าูเดียวตื่นเจ็บอ่าน่นานเหเพิ่งจะของบาจกันล่ะสแยยังเพิงผู้บาอาจารย์กับเพิงยูเพิ่งทำบ่ได้หลายตัวเพิ่งผู้บาดอาจารย์บ่ได้หลายบ่ได้เลิกในเพิงยังดอกมาตบมาเบิ่ง่าเพิ่นเฮ็ดกังได้พีีราแต่ให้เขามี่กับร่งจิตใจ่าสีเฮ็ดกังได้ตีภาวนากันได้ เพลิงเหตุแห้เบิงเข้ากับเพลิงเพิงเพลิงนี่สิละเพลิงพ่วมเป็นตัวอย่างของเพลิงอย่างีิละบัตรทีนี้เข้ากับเหตุของเข้าอที่เข้าไปหอดวางดูเจ้าของวางทีเจ้าของแนวอิริให้มันเพิงให้มันแดงก็มีอันนี้ล่ะโอดท้นนี่แหละเวททัศนเด้ออันอื่นกัก็มีหลายมีดอกบาลลังก์นี่ขออื่นขันติบาลมีนี่นี่ละอดท้นนี่ละวิริยะบาลมีท่านบาลมี่จีนบาลมัีเฮตุได้หลายขึ้นขึ้นกัน แต่ว่ากดทุนเนี่ยเอาไว้สักอนขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีตัจจะบา ร, รมีอยังบา ร, รมีมันหลายอย่างอื่น่ะแต่ว่ากดทุนเอาไว้ยืนคืนเด้อเขาอย่าเฝ้าลมสักคนขันลมสักคนแล้วมันยางตอบพราะได้ละตั้งใจดังกันได้มานี่ิตั้งใจงด้ยงยงกันทุกคนยังน้อยก็ยึดจักกันได้แค่ห้องบ่เดี๋ยวมาบอกบงทีเด้อเอาละท่อนได้หัดนี้เด้อ